โครงการปี 2557 นี้จังหวัดนครพนมอุบัติเหตุต้องเป็น 0 มือบังคับ 1 คน 1 วินัย 1 น้ำใจสร้างความปลอดภัย 1669 ด้วยความปรารถนาดีจากครับ